50 languages. 48. ่สกิจกรรมระหว่างการพักร้อนรัจจานักดาการยกรรมกัลดหาดทรายสะอาดไหมสมุทรตีราศูนย์พระวา เล่นน้ำที่นั่นได้ไหมอัลลีอีจับบ่หูเดเล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรืออัลลีอีจูบุดูอ ป, ปายการีอัลละเวขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมคะยิลลีเปียร์ราโซลบาร์ดิกเกเกเตกิดุดก็ะับบ่หูเดขอเช่าเตียงผ้าใบาที่นี่ได้ไหมคะ อิลลีอาร a m a k u r ยันนูบาดิกเกกเกติดีลบหุดเดขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมคะอิลลีโดนิยันนูบาดิกเกเกติดีดูคลบหุดเดดิฉันอยากเล่นกระดานโต้คลืนนั่นเก๋สัฟมาดว่าอาเซอิดดดิฉันอยากดำน้ำ นันเองนีรินัลลีดูมูกัวาอาเซอีเด่ดิฉันอยากเล่นสกีนม้มนั่นเองนีรินลลีสกีมาดวาอาเซขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมคะอิลลี่สุฟโบอ์ดบาร์ดิกเกเกดร ר ยุตเตเดยขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมคะ อิ๋ลีนนัลลีดูโมคลบบคกั้ว่าสัมภาระกันบาร์ดิกเกยุทธ์่ข้าเช่าสกีน้ำได้ไมคะอลนีรินัสกีสบาร์ดิกเกเกยุทธดิฉันเพิ่งเริ่มผัดนาโนโหสบดิฉันพอเล่นได้นั่นเกสุมาราจีบรุตเตเด ดิฉันเล่นได้ดีมากนานูอิดา ล, ลีเช่นนากีนุริตวนุสกีลิฟต์อยู่ที่ไหนอิลลีสกีลิฟต์อิลลีเดคุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่านินนับลีสกีสอิเดเยคุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม นิ ன นนาบிลีส์คีพ่าดรักษาไกลเย